บุกทูสี่สิบเอ็ดควารเดกอนุที่ไหนออเรนติจโ <Orient ido. S 2> สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะคิเอเอสตาสลาทูริสมออฟิเซียรคุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ ช่วยพาวุสฮาวิอูรโบมาจองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะชูเ e ซเวเบลสโฮเทลแชมรเเมืองเก่าอยู่ที่ไหนคี e ์ s t a ตาสลามัลโนวาอวิหารอยู่ที่ไหนคี e ์ s t a ตาสลา t e d r a l าพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน คี estas <S s ่แ s t a ั l ลามูเซซื้อสเต็มได้ที่ไหนคี่แอเชเทบลาสโฮสต์มซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนคี่แอ t e b l a ลาสฟลอซื้อตั๋วได้ที่ไหนคี่แอ t e b l a ลาส l e t o ลถ้าเรืออยู่ที่ไหน ทีเอสตัสลาฮวนตลาดอยู่ที่ไหนทีเอสตัสลาบซารปราสาทอยู่ที่ไหนทีเอสตัสลาคาสเตการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ทียีมลาวิซิโตคอมเอนซิโสการพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ทียีมลาวิซิโตฟินิโส การพาทเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ขอยมรองเยลา้าบิซิตอดอรัสดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมันมิชัตุสเด e ร์มันพอลั a ตัเชนดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาเลียนมิชัตุสอิตาลพารอลัอนต ดิฉันต้องการมาคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสมิชาตุสฟรันซ์ผู้รอำลันทันชิเชรอนัน